นอบน้อมฟ า, าตันนต์ตพระพุทธธรรมประสงค์ข อ, อการหลวงพ่อทองสกหลวงพ่อกลมพระอาจารย์ทุกรูปแล้วก็เพื่อจะทำอีกทุกท่านจะเด้นในธรรมแม่คีและก็ยัติธรรมทุกคนวันนี้ก็อย่างที่พวกเราได้ทราบกันเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อคำเขียนอายุครบรอบ75ปี ตรงกับวันเกิดของพระราชนีด้วยเหมือนกัน79็พรรษานะแล้วก็เป็นวันที่เราสมมุติว่าเป็นวันแม่นะสมมุติว่าเป็นวันเกิดด้วยนะแต่จริงในทางพุทธศาสนาเาจนับนะนับการเกิดการจุติตั้งแต่ดวงจิตปฏิสนธิเข้าอยู่ในคันแล้วนะก็คือถือว่ามีชีวิตตั้งแต่อยู่ในคันแต่ในทางโลกนะถือว่า การมีชีวิตเดี๋ยวรอดเป็นมนุษย์ก็คือการที่ออกออกจากคันนะมันต่างกันนะในทางในทางธรรมะถือว่าจิต ท, ที่เข้าไปปฏิสนธนะิได้เกิดเป็นเซลล์เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแม้ยังไม่ออกมาในโลกใบนี้ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่นะแต่ยังไม่ได้ออกมาในโลกใบนี้เท่านั้นดังนั้นที่จริงการเกิดโดยสมมุติที่เราเข้าใจก็คือการเกิดในทางโลกนะ เป็นวันเกิดนะหรือแม้แต่การตายในทางโลค ก, ก็เหมือนกันถือว่าการสิ้นลมหายใจนะเป็นการตายนะหรือว่าร่างกายหยุดการทำงานคือการตายแต่ในการตายในใ น, ในทางธรรมเองแตกต่างกันไปนะถ้าเราขาดศีลขาดธรรมขาดสตินะหรือว่าหลงไปกับโรคนะก็ถือว่าเป็นการตายจากโลกวบนี้เหมือนกันนะ นะแต่ไม่ใช่ตายแบบนิพพานนะแต่เป็นตายแบบผู้ที่หลงโลกนะตายกัเป็นผู้ที่หลงนะกับวัตถุสิ่งค้องกับเสียงกิจยศกับอะไรต่างๆมากมายนะก็เป็นการการตายในศิลในธรรมเช่นเดียวกันแตน่แต่พระพุทธเจ้านะท่านสอนให้เราให้ตายจากกิเลสนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะให้กิเลสมันตายนะให้กิเลสที่อยู่ในใจอยู่ในกโมณสนดาม มันตายลงไปนะกีเดชความโลภความโกรธความหลงกีเดชพันหตัณหาร้อยแปนะให้มันตายไปซะให้เรียกว่ามาดับกีเดชนะมาดับกีเดชให้ได้นะดับความทุกข์ให้ได้ น, นี่แหละคือสิ่งที่ถ้าเราจะไม่เสียทีในการที่เราได้เกิดในภพชาตินี้ก็ให้ได้พบกับการเรียกว่าดับกีเดชนะการชำระล้างความทุกข์ออกจากจิตใจให้มันได้ถึงจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ คุ้มค่าในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนาะเพราะว่าการที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเขนมากนะบางทีพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาล น, นะมีเตา่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งร้อยปีถึงจะโผล่ขึ้นมาบนผิวน้าสักครั้งหนึ่งนะร้อยปีนะไม่ใช่ร้อยวันนานมาก เต่ามีอายุเป็นพันปีแต่ร0อยปีจะโผล่ขึ้นมาสุดอากาศบนผิวน้ำข้างหนึ่งตามันบอดด้วยมีแอกไม้ไผ่แอกไม้ไผ่ก็ถ้าจะเข้าใจ ง, ง่ายๆคล้ายเป็นเป็นคล้ายเป็นช่องว่างที่อยู่ระหว่างไม้ไผ่นะที่มันลอยเคล้งคว้างอยู่ในมหาสมุทรอยู่แอกหนึ่งนะเต่าตัวนั้นมันโผล่ขึ้นมากลางแอกไม้ไผ่พอดี ถือ <VIN>. ว่าเป็นความบังเอิญอย่างที่ว่าถึงที่สุดเลยก็ว่าได้นะมันจะโผล่ขึ้นมาสักกี่ครั้งก็ไม่รู้มันโผล่ขึ้นมาตรงกลางนั้นได้ครั้งหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่บังเอิญเป็นเรื่องที่ยากมากนะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าอืการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่ยากนะเป็นสิ่งที่ยากแต่ที่จริงมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะมันเป็นเรื่องของเหตุและปัจจัยแต่ความยากในการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากมาก เพราะว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่เกิดในภพภูมิอื่นนี่มากมายมหาศาลนะยกตัวอย่างง่ายๆเอาแค่แค่ภพของของมดเนี่ยนะมดที่อยู่ในโลกใบนี้นะเขาบอกว่าเท่ามดมาชั่งน้ําหนักรวมกันนี่หนักกว่ามนุษย์ทั้งโลกนี้นะอืมนุษย์เราก็เกือบเจ็ดพันล้านคนนะเอามาชั่งน้ําหนักรวมกันนี่ยังน้อยกว่าน้ําหนักของมด บนโลกใบนี้นะไม่นับถึงมะแดงต่างๆหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เรามองไม่เห็นอีกมากมายเหมือนกันอันนั้นพบภูมิอื่นๆนะมากมายกว่าพบภูมิมนุษย์นี่เยอะแยะมากมายเลยนะถ้าเราเอาทางวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบก็ได้หรือว่าเอาความรู้ในทางธรรมมาเปรียบเทียบก็จะรู้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์น่เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าอะไร ต้องประกอบด้วยคนที่มีศีลมีธรรมในระดับหนึ่งแหละถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องของเหตุและปัจจัยนะเหตุและปัจจัยทําให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพภูมิที่มีพระพุทธศาสนาแสดงว่าเราได้ทําบุญทําทานได้มีวาสนาร่วมกันกับพระพุทธเจ้านะถึงได้มาเกิด ในบวรพุทธศาสนานะถ้าเกิดเป็นมนุษย์ในในโลกใบนี้ก็จริงนะแต่ถ้าไปอยู่ในประเทศอื่นทวีปอื่นหรือว่าในสถานที่ที่ไม่สมควรก็อาจจะไม่พบพระพุทธศาสนาก็ได้นั้นการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นของที่ยากแล้วแต่การที่ได้เกิดในพบชาติที่มีพระพุทธศาสนาเนี่ก็เป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่า พบชาติที่มืดนะมวยาวนานนี่มันมีมานานแล้วนะไม่รู้ว่ามนุษย์ที่เกิดบนโลกใบนี้ประมาณสองล้านปีที่ผ่านมาจะถึงปัจจุบันมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนี่นะนะแต่ที่จริงการเกิดเป็นมนุษย์ในตั้งแต่อดีตนะมันก็เรียกว่ามีอายุสั้นมากเขาบอกว่ามนุษย์ที่มีอายุยาวนานกว่าสาสิปีนี่ เพิ่งจะมีมาสักประมาณแค่ช่วงสามหมืนปีที่ผ่านมานี่เองก่อนนั้นนั้นที่มีมนุษย์มาสองล้านกว่าปีนี่มันเรียกว่าอายุสั้นไม่ถึงสาสิปีตายด้วยโรคภัยแค่เจ็บบ้างตายด้วยสัตว์ ร, ร้ายบ้างนะนั้นอายุของมนรรุษย์แต่ก่อนนี่ค่อนข้างสั้นแต่เพิ่งจะมายาวเมื่อประมาณสามหมืนปีที่ผ่านมานี่เองค่อยๆยาวขึ้ น, นเรื่อยๆนะแต่ยาวแล้วนะไม่รู้ว่า ในภพชาติก่อนๆนนะั้นมีศาสามาตัดสรุหรือเปล่านะแต่พวกเราถือว่าโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้เนาะนะได้เจอพระพุทธศาสนาการแพทยการศึกษาก็ดีพนะอสมควรทำให้พวกเราได้มีอายุยืนยาวอย่าะทั่งนะได้มีกำลังกายที่แข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญนะได้มาพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยนะ ค ร, ครบทั้งสาองค์นะพระพุทธเจ้าพวกเราก็ได้พบนะนะอาจจะไม่ได้พบนะในตัวเป็นๆแต่พระธรรมคําสั่งสอนที่เราได้ไดสวดได้ศึกษาเนี่ยก็เป็นตัวแทนที่พระพุทธเจ้าท่านฝากให้พวกเราไว้นะพระพุทธองค์ท่านฝากศา ส, สดาศา ส, สนาไว้กับอะไรนะไว้ที่พระธรรมคําสั่งสอนในพระธรรมและวินัยที่ท่านฝากไว้เนี่ยแหละจะเป็นศาสดาแทนพวกเธอทั้งหลาย พระองค์ไม่ได้แต่งตั้งใครให้เป็นศาสดาแทนแต่ให้พระธรรมและพระวินัยเป็นศาสดาแทนแทนเราเพื่อสั่งสอนพวกเธอทั้งหลายและพระสงฆ์พวกเราก็ได้พบนะอย่างที่นี่ก็มีพระสงฆ์ที่เป็นประธานที่พวกเราเคารพนับถือที่สุดก็คือหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนนะท่านก็ได้พบธรรมะเจนทั้งได้เป็นครูบาอาจารย์นะได้สั่งสอนพวกเรา นะท่านก็มีความเข้าใจในพระธรรมคมสัสอนที่พระพุทธเจ้านะได้บอกได้สอนไว้นะผ่านทางครูบาอาจารย์ของท่านอีกครั้งหนึ่งก็คือหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภนะก็เป็นการถือทอดธรรมะโดยเรียกว่าจากรุ่นต่อรุ่นนะจะถึงรุ่นพวกเราในตอนนี้ถือว่าพวกเราก็จะได้ทำการอัจฉริยะปชานะ บูชาคุณของหลวงพ่อเช่นเดียวกันพราะคุณที่ท่านได้ให้กำเนิดนะกำเนิดในทางโลกนะก็พ่อแม่ได้ให้กำเนิดเลี้ยงดูเรามาก็เป็นสิ่งที่ควรจะอริยบูชาควรที่จะบูชาควรที่จะตอบแทนบุญเช่นเดียวกันแต่ครูบาอาจารย์ในทางธรรมนะก็เป็นผู้ที่ให้กำเนิดธรรมะแก่พวกเรานะก็นอาจจะ เ, เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่ากันให้กำเนิดในชีวิตนี้ก็ได้เนาะ เพราะว่าจิตถ้าไม่มีธรรมะจิตที่มืดบอดเนี่ยไม่จะเกิดเป็นมนุษย์ร้อยชาติพันข้างหรืออะไรก็แล้วแต่อายุยืนนานก็แล้วแต่ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์เฉยเฉยไม่พบพระธรรมไม่พบแสงสว่างในจิตใจนะชีวิตก็มีแต่ความมืดบอดชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ชีวิตก็ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่รู้ว่าจะเดินชีวิตไปทางไหนจะใช้ชีวิตอย่างไรนะก็เดินเคว้งคว้าง ตุปปัตุเปไปเหมือนกำครั่งกำคืนนี่นแหละไม่มีแสงสว่างจากพระจันทร์ก็ดีไม่มีแสงสว่างจากไฟฉายก็ดีไม่มีแสงสว่างตามทางก็ดีเราก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนเพราะมันมืดไปหมดเลยนะเดินไปก็ไปเตะต้นไม้เดินไปก็อาจจะโดนสัตว์้ายกัดก็ได้เนะี่ยชีวิตที่ไม่มีแสงสว่างในทางธรรมก็เป็นแบบนั้นมันจะใช้ชีวิตอย่างไรนะกนะ็เจอแต่ความทุกข์นะเจอแต่ความทุกข์มันกนระหนําซับ ซ้ำเติมชีวิตให้มีแต่ทุกข์ไม่รู้จักทางออกจากความทุกข์สักทีอันนั้นชีวิตที่มีธรรมะมาเป็นส่วนประกอบมาเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตเนี่ยจึงเป็นชีวิตที่มีค่าที่มีค่ามากครูบาอาจารย์ที่ท่านให้แสงสว่างในทางธรรมแก่พวกเราก็ยิ่งยิ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามากนะควรที่จะทําความเคารพและบูชาแต่การเคารพและบูชาคงไม่ใช่แค่การเรียกว่าเป็นอามิดบูชา คือการบูชาด้วยข้าวของเงินทองหรือว่าดอกไม้เครื่องหอมต่างๆนะอันนั้นเรียกว่าเป็นอามิดบูชานะเราบูชาด้วยสิ่งวัตถุภายนอกนั้นก็ยังดีนะก็ยังดีนะแต่สิ่งที่ควครจะกระทำมากยิ่งกว่านั้นก็คือการเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชา ป, ปฏิบัติบูชาคือการอะไรคือการที่เราปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้เข้าถึงในสิ่งที่ท่านสั่งสอนไว้เนี่ย เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นพึงพึงแล้วก็พึงกระทําแล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งเนาะเราปฏิบัติบูชาคุณที่ท่านด้อบรมสั่งสอนพวกเราเนะการปฏิบัติบูชาอา จ, จไม่ใช่เพียงแค่การกระทําในรูปแบบภายนอกแต่ต้องให้เข้าถึงการกระทาภายในจิตใจจิตใจของเราเป็นอย่างไรนะจิตใจของเราเข้าถึงธรรมะที่ท่านสอนไว้หรือเปล่าอย่างหลวงพ่อกำเขียนเนี่ยนะ ในส ม, มุดบันทึกที่ท่านบันทึกไว้เนะมือ่อมีปี2อ3 6นอกนะมีอยู่วันหนึ่งท่านบันทึกไว้ในวันนี้แหละท่านคงเทศในตอนเช้าแล้วก็ตอนตอนตื่นสายท่านก็บันทึกไว้นะวันที่ 12, สิสิงหาคมสอง6ันหาร้ยบพอดีพระาจารย์สรินขอให้มาดูให้หน่อยว่าท่านบันทึกไว้อย่างไรเอามาก็ดูนะหรวพ่อขงเขียนบอกว่า พวกเรานะจงทําความเพียรกันนะอย่าให้อย่าให้คล้ายๆว่าอย่าให้คนอื่นต้องมาเคี่ยวเข็นต้องมากระตุ้นต้องกระตุ้นตนเองนะถ้าพวกเราทําความเพียรในการกระตุ้นตนเองนะพยายามมีสติพยายามรู้สึกตัวเป็นประจำนะไม่ต้องอไม่ต้องไปคิดเอาเหตุเอาผลเหตุผลมันจะเกิดโดยธรรมชาติของมันเองนะเมื่อบำมีสตินะมันก็จะเกิด เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นไปตามลำดับของมันเองหลวงพ่อเขียนท่านเทศอย่างไรนะท่านสอนอย่างไรท่านก็กระทําอย่างนั้นให้พวกเราได้ดูนะให้เป็นแบบอย่างท่านเทศท่านสอนเรื่องสติเรื่องความรู้สึกตัวนะเรื่องการเขี้ยวเขียนตนเองเรื่องการทำความเพียรเรื่องการที่ไม่ต้องให้คนอื่นมาเตือนท่านก็กระทาแบบนั้นของท่านมาตั้งแต่สมัยเป็นคารวะก็กระทาแบบนั้น ทมไยอยู่กับหลวงพ่อเทียนก็กระทำแบบนั้นนะไม่ต้องคอยให้ครูบาอาจารย์คอยเขี่ยวเข็นท่านเคี่ยวเข็นตัวเองนะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองให้ได้ครูบาอาจารย์ท่านก็เคารพแล้วก็กราบไหว้แล้วก็กระทาตามสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนพวกเราก็เช่นเดียกันนะอาจจะต้องทบทวนดูว่าในการปฏิบัติธรรมของเรานะเราเคี่ยวเข็นตัวเองพอหรือยังนะเคี่ยวเข็นไหมประมาทไหม ในการใช้ชีวิตนะจะเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นญาติญาติโยมก็ดีเราประมาทในการใช้ชีวิตหรือเปล่าชีวิตในวันวั น, วนที่ผ่านไปแต่ละวันนีนะเราได้กระทาความเพียรกันมากน้อยขนาดไหนพยายามแก้ไขตัวเองที่ตรงนี้นะนะไม่ต้องไปเรียกว่าแต่ละวันอาจจะไม่ต้องไปทบทวนว่าเกิดมากเกิดผลเกิดความรู้อะไรมากขึ้นนะถ้าเราไปทบทวนตรงนั้นบางทีมัน บางทียังไม่เกิดผลยังไม่เกิดปัญญายังไม่เกิดความรู้ขึ้นมาเราก็จะคอยแต่กังวลใจว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีเมื่อไหร่มันจะเข้าใจสักทีอย่าไปทบทวนตรงนั้นมากนานๆแต่ทบทวนสักครั้งหนึ่งก็ได้เรื่องผลของการปฏิบัติแต่สิ่งที่เราสามารถทบทวนได้เป็นประจำทุกวันนะหรือวันหน้าตายครั้งก็ได้เราทบทวนดูว่าเราได้ทำเหตุดีหรือยังนะได้ทําความเพียรดีหรือยัง ได้ประกอบสติดีหรือยังนะได้มีศรัทธาตั้งมั่นมีศรัทธาแน่วแน่หรือยังเนะี่ยให้เราได้ทบทวนตัวเองในเหตุหรือว่าสิ่งที่กําลังกระทําอยู่เนะี่ยเราสามารถทบทวนแล้วก็เออเราประมาทไหมในชีวิตนี้นะประมาทไหมในวันนี้ประมาทไหมในช่วงนีนะ้ขณะที่นั่งอยู่ในช่วงนี้มันประมาทไหมคิดใจลอยเผลอพึ่งสร้างไปหรือเปล่า ขณะที่เดินกลับไปกุติขณะที่เดินบินตบากขณะที่ทานอาหารเราประมาทในการที่เรียกว่าขาดสติหรือเปล่าหรือว่ามีสติในการใช้ชีวิตอยู่เป็นประจำเราทําการทํางานทํางานก่อสร้างก็ดีทํางานในครัวก็ดีทํางานที่ทางานก็ดีเราประมาทในการเรียกว่าฝึกสติฝึกจิตใจรู้สึกตัวหรือเปล่าเนี่ยเราก็ทบทวนดูตัวเองบ่อยๆเราก็จะได้อ้อ เราก็จะได้เรียกว่ากลับมาเห็นตัวเองบ่อยๆเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการทำกิจต่างๆ่นะให้เรามาทบทวนในแต่ละวันแต่ละเวลาเราได้ใช้ชีวิตตรงกับคำสั่งสอนที่ผู้เจ้าท่านสอนไวมไหมตรงกับธรรมะที่เป็นความจริงหรือเปล่าตรงกับที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ว่าเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ดูอยู่ให้พวกเราได้เห็นเย็นให้พวกเราได้สัมผัสสอนให้พวกเราได้ทาในทางที่ถูกต้องหรือเปล่าเนะี่ย แต่มาคิดว่าถ้าพวกเราทํากระทําเช่นนี้นะเป็นการตอบแทนคุณที่เรียกว่ามีค่ามากที่สุดนะเป็นการตอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าอบรมสั่งสอนพวกเราหรือแม้แต่พ่อแม่ที่ให้กําเนิดเราก็เช่นเดียวกันเนาะก็ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณพ่อแม่เช่นเดียวกันนะนะที่ท่านให้กําเนิดชีวิตเรามาถ้าเราได้มีธรรมะนะ เป็นธรรมะประจาใจของเราให้เกิดความสงบร่มเย็นเกิดความสุขขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วถ้าเรานำกลับไปเรียกว่าไปแบ่งปันไปบอกสอนไปแนะนำกับพ่อแม่ตอนนี้ยิ่งเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่มากเช่นเดียวกันอย่างพระพุทธเจ้านะท่านตัดไว้ว่าท่านตัดไวถึงความกตัญญูกระตะเวทีที่ลูกพึงมีต่อพ่อแม่ท่านบอกไว้ว่าแม่ลูกคนใด เอาพ่อไว้บนบาข้างหนึ่งนะตั้งไว้บนบาข้างหนึ่งเอาแม่ตั้งไว้บนบาอีกข้างหนึ่งนะแล้วก็ป้อนข้าวป้อนน้ำนะให้ท่านถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะบนบา น, นี่แหละนะตั้งท่านด้วยเรียกว่าด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยความยกย่องสนรเสริญไว้แบบนี้เป็นชั่วอายุเป็นร้อยปีปณิบัติพัฒวีดูแลท่านอย่างดีตอบตัด อาบเท่าชีวิตท่านจะหาไหมก็ดีนะยังถือว่าเป็นการไม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ใช่ไม่ไม่ตอบแทนแต่เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ยังไม่หมดนะยังไม่สิ้นหนี้ที่ท่านได้กระทำไว้ให้กับพวกเรานะ ท, ที่เราเป็นหนี้ไ ว, ไว้นะเป็นหนี้บุญคุณของท่านยังไม่การตอบแทนบุญของท่านอย่างหมดจดที่แท้จริงแต่ถ้าลูกคนใด น, นะทาให้พ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธานนะ ยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่มีศรัทธาในาเรื่องของกรรมไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำกรรมกระฐานก็สามารถเรียกว่าก็ถึงความพ้นทุกข์ได้ยังไม่เชื่อในเรียกว่าในเรื่องของความจริงที่เป็นเรื่องของกรรมก็ดีหรือไม่เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีถ้าลูกคนใดทาให้พ่อแม่ที่เรียกว่าไม่มีศรัทธาให้เกิดศรัทธาขึ้น หรือศรัทธาในน้อยให้เกิดศรัทธามากขึ้นเนะี่ยถือเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ลูกคนใดทาให้พ่อแม่ที่ตันีทีเหนียวไม่รู้จักการจาคะาเสีสระนะเรียกว่าไม่รู้จักใช้เงินใช้ทองในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลรู้จักใช้เงินใช้ทองแต่ทางสนองกิเลสตัณหาลูกนะคนใดทา ใ, ให้พ่อแม่ให้มีความสละมีความจาคะาเกิดขึ้นนะ จิตใจด้จกักรทำบุญทำทานนะเนี่ยเรียกว่าเป็นการเรียกว่ายกระดับใจิตใจพ่อแม่ให้สูงขึ้นไปก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากนะลูกคนใด น, นะทำให้พ่อแม่ที่เรียกว่าไม่มีปัญญาให้เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดปัญญาจากการภาวนานะเกิดจากปัญญาในการที่เรียกว่าเห็นความจริงของชีวิตนะก็ยิ่งเป็นการทาให้พ่อแม่พบแสงสว่างในทางธรรมทุกท่าน้อยลง นะลูกคนใดทําให้พ่อแม่ที่ไม่มีสินสินด่างสินพร้อยสินไม่มั่นคงทําให้พ่อแม่ได้มีสินขึ้นประจําใจเป็นสินห้าที่รักษาไว้ตลอดชีวิตก็ดีหรือบางคนชักชวนพ่อแม่มาบวชเป็นชีมาบวชเป็นพระนะก็ยิ่งดียิ่งบัตเสริขึ้นมาเป็นสินแปดเป็นสินส2งีข้อนะเป็นสิ่งภายนอกที่รักษาเพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่า เป็นสินจากภายในที่เกิดจากความสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะให้เรียกว่าสํารวมไว้ในอินทรียสังวรเป็นศินที่เรียกว่าสงบเพราะการมีสติรู้ทันการกระทบสัมผัสนะยิ่งเป็นสินที่มั่นคงเป็นสิ่งที่เรียกว่าบ่อยสุดขึ้ น, นเรื่อยๆจนกระทั่งจิตใจมีความเป็นปกติจิตใจนะมีความมั่นคงจึงเป็นศิน ที่ถึงจิตใจขึนเลยจากศีลภายนอกเป็นศีลในจิตใจนะยิ่งดีมากขึ้ น, นเรื่อยเื่อนี่แหละพระเจ้าเรียกว่าถ้าลูกคนใดนะยกระดับจิตใจพ่อแม่ในเรื่องของศรัทธาในเรื่องของจาคะในเรื่องของศีลในเรื่องของปัญญาให้สูงขึ้นไปนะจะระดับใดระดับหนึ่งก็แล้วแต่นี่เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่สูงสุดดังนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเนื่องด้วยความ การตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ของผู้พุทธเจ้าอย่างแท้จริงเลยน ะ, นะเพราะเพราะว่าอะไรเพราะาเป็นการที่เราได้ยกระดับจิตใจตัวเองให้เข้าถึงศีลเข้าถึงธรรมมากขึ้ น, นเรื่อยๆก็ถือว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากการที่มีชีวิตในภบชาตินี้ให้ถูกทางแล้วก็ถ้าเรารู้ธรรมะเข้าใจธรรมะในระดับหนึ่งเราก็สามารถไปแบ่งปันหรือไปบอกต่อหรือว่าอย่างน้อย ก็อยู่ให้ท่านได้สัมผัสว่าอ้อนี่แหละเนาะคนมีศีลมีธรรมนะี่คนเริ่มเข้าใจธรรมะมีความสงบมีความสุขมีความทุกข์น้อยลงเป็นแบบนี้นี่เองก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นเป็นสิ่งที่เรา้าเป็นสิ่งที่เชิญชวนให้เขาเข้าสู่พัฒนาคมสังสอนของพุทธองค์มากขึ้ น, นเรื่อยๆนะเมื่อมีศรัทธามีปัญญามีศีลนีนะ่ก็มีความ้นทุกข์ลดลงไปเรื่อยๆมากขึ้นอันเนี้ยเป็นการตอบแทนบุญคุณของ พ่อแม่แล้ก็ผู้มีคุณกับเราอย่างสูงสุดนะแล้วก็ทําได้เรื่อยๆเนาะเนะี่ยถ้าเราพยายามศึกษาธรรมะนะเราก็จะเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะคุ้มค่าทั้งที่เกิดเป็นประโยชน์กับตนเองนะได้ทำชีวิตที่มันทุกข์มากๆให้ทุกข์น้อยลงเจริญทั้งหมดทุกข์ไปให้ได้นะได้ทำให้กิเลสตัณหามันน้อยลงมันลดลงเจนทั้งมันดับไปให้ได้นะเนะี่ยเปสิ่ง ในการใช้ชีวิตที่คุ้มค่ามากอย่าคิดนะว่านะชาติหน้าค่อยไปแก้ตัวค่อยไปเรียกว่าไปทําใหม่หรือไปรอในอนาคตว่าค่อยไปทําใหมนะ่บางทีมันอาจจะซ้ายเกินไปก็ได้นะอาจจะไปตกในภพภูมิที่ยาวนานนะเรียกว่าหลายร้อยปหยีหลายล้านปีก็ได้นะบางภพภูมิมันยาวนานมากนะพุทธศาสนาหายไปแล้วก็ได้ ไม่มีผู้พระเจ้ามาเกิดขึ้นหรือว่ามาเกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งเป็นกมณนสถานา์ของเราที่ขี้เกียจขี้ค้านจอดความเพียรหรือว่าผัดวันประกันพุ่งนานไปก็ผัดวันประกันพุ่งเช่นเดียวกันแหละวันนี้มันผัดได้พรุ่งนี้มันก็ผัดได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าวันนี้มันไม่ผัดพรุ่งนี้มันก็ไม่ผัดนะชาตินี้มันไม่ผัดนะชาตินี้มันขยันมันทําความเพียรชาตินี้แม่ไม่พ้นทุกข์ไม่ดับทุกข์โดยสิ้นเชิง ชาติหน้ามันก็ยังขยันทําความเพียรเช่นเดียวกันแต่ชาตินี้นะเราคิดว่าเออเาไว้ชาติหน้าดีกว่าเอาไว้ปีหน้าดีกว่าเอาไว้อนาคตดีกว่ามันก็จะผัดไปเรื่อยๆนะอนาคตมันไม่ถึงสักทีเพราะว่าเราผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆอันนั้นความเพียรจึงเป็นสิ่งที่พึงกระทําในวันนี้การตอบแทนบุญคุณของพระผู้มีพระคุณก็เช่นเดียวกัน<ๆ>ก็เป็นสิ่งที่พึงกระทําในวันนี้นะกระทําที่ใจไงแหละนะ บางทีอาจจะไม่ยอยู่ต่อหน้านะพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณแต่เราะลึก ถ, ถึงด้วยใจนี่แหละใจที่คิดถึงคุณของท่านแล้วก็พยายามทำตัวของเราให้เข้าตรงกับคุณงามความดีให้มากที่สุดเนี่ยเป็นการตอบแทนบนคุณของพ่อแม่ที่สุดนะเมื่อเรามีธรรมะประจําจิตนะได้เห็นได้มีดวงตาเห็นธรรมอย่างที่พวกเราได้สวดเนาะนะยังกินจิสมุทะยธรร ม, มัง สัพพันธ์ทางนิโรธธรรมมันตนะิถ้าเราเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีการดับไปเป็นธรรมดานะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสภาวะทมอะไรก็ได้แต่ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันเข้าใจว้าโอนี่แหละเนาะไม่มีอะไรที่เราสามารถบังคับมันได้เลย มีแต่การเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแต่การเปลี่ยนแปลงไปทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจทั้งสิ่งภายนอกมีแต่ความที่มันดับไปเพราะว่าความเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะความเป็นทุกข์ไม่สามารถอยู่ในสภาวะเดิมได้แม้แต่ในสิ่งที่เราคิดว่าสุขมันก็มีทุกข์อยู่ในนั้นแหละถ้าสุขทแท้จริงมันก็ต้องอยู่ยืนดินยาวนานมันคงยั่งยืนแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะอยู่ ยังยืนยาวนานได้ก็อยู่ในสภาวะที่ทุกข์ที่ดับไปทั้งหมดเช่นเดียวกันนะเนี่ยถ้าเราเห็นอ้อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงก็มีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นเดียวกันนะเราเห็นที่ตรงไหนเห็นที่กายเห็นนิจใจของเราเนี่แหละนะเห็นไหมนะอาการเกิดขึ้นของจิตที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยนะตอนนี้จิตมันรับรู้กับการฟังนะ ฟังแล้วมันก็เก็บไปคิดนะหรือคิดแล้วก็วางแล้วก็มาฟังใหม่หรือเราก็รู้สึกตัวจิตมันรู้สึกตัวตอนนี้เดี๋ยวบางทีมันก็หลงไปเห็นหจิตมันเกิดแล้วก็ดับเกิดในการรับรู้ทางอายตนะเกิดในการรึกนึกในทางจิตหรือเกิดเป็นความรู้ที่เป็นสติเป็นปัญญาขึ้นในจิตก็เช่นเดียวกันมันก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป จะจิตที่รู้ก็ดีจะจิตที่หลงก็ดีก็เป็นจิตที่เกิดดับเช่นเดียวกันมีค่าเท่ากันจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีจกลางๆก็ดีก็มีแต่การเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีใครบังคับให้เขาอยู่ได้นะไม่มีใครบังคับให้เขาอยู่คงทนยาวนานได้เนะี่ยเราก็มาเห็นที่ร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานี่ยนะอ๋อม่มีแต่การเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านั้นจะไปยึดจะไปถืออะไรได้น้อนะชีวิตนี้ไม่สามารถยึดถือ เริ่อของกายเรื่องของจิตได้เลยนะแต่สิ่งที่เราพอจะยึดถือได้คือธรรมะนะเบื้องต้นก็ต้องยึดธรรมะนะยึดในสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นความจริงนะธรรมะคือความจริงนะให้ยึดความจริงไว้ก่อนนะยึดความจริงไว้ก่อนถ้าเราเห็นว่าอ้อหรือบางทีเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าวไว้ก่อนก็ได้นะเชื่อว่าอะไรเกิดขึ้นก็ดับไปเนะี่ยมันก็จะไม่ทุกข์ร้อนมากเมื่อตอนมันทุกข์มากๆก็ เดีมันก็ต้องดับไปนั่นแหละนะความทุกข์ขนาดไหนเดี๋มันก็ดับไปแดีวก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่มีความทุกข์อะไรจะอยู่ได้คงทนยาวนานหรอกหรือถ้าเราเห็นว่าความสุขมันเกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้หรือว่ามีศรัทธาเชื่อพระเจ้าไว้ก่อนเออความสุขเกิดขึ้นแต่มันก็ดับไปไม่ไปคิดว่าความสุขจะต้องอยู่นานนานขึ้นไปเรื่อยๆนะต้องคงที่ไว้ตลอดไอ้ต่างๆถ้าเราเชื่อหรือว่าศรัทธาอย่างน้อยก็ให้เชื่อว่าเออไอ้ต่างๆเกิดขึ้นก็ดับไป เหมือนกันหมดไม่สามารถบังคับบัญชาไม่สามารถยึดถือไว้ได้เออจิตใจของเราก็เกิดความเบาเกิดความสบายเกิดความปลวางมากขึ้นเรื่อยๆ อ, อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดจากการที่เราถ้าเราฝึกสตินะมันจะเห็นความจริงที่ความจริงที่แต่ละชีวิตมันมีอยู่แล้วมันปรากฏอยู่ทุกขณะนะเรามีสติอยู่ที่ปัจจุบันนี่นแหละมันจะเห็นปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปทุกขณะทุกขณะปัจจุบันตอนนี้มันรู้แต่การเคลื่อนไหว ปัจจุบันนี้มันรู้กับการนั่งปัจจุบันตอนนี้มันรู้กับใจที่มันเผลอไปอ่าว่าใจเผลอไปมีสติรู้ทันก็เกิดเป็นใจที่มีสติขึ้นมาแทนที่มันมีแต่ปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่เราก็เรียกว่าไม่ติดกับปัจจุบันเช่นเดียวกันรู้ลงที่ปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้ไปยึดปัจจุบันไว้ให้เป็นสนธนะรู้ลงที่ธรรมะแต่ก็ไม่ไปยึดธรรมะไว้เป็นเรียกว่าเกาะไว้นะแต่เรารู้ว่าเป็นที่พึ่งนะ ธรรมะพระพุเจ้าจะเปรียบเหมือนกับพ่วงแพพ่วงแพที่ไว้อาศัยนะพ่วงแพที่ไว้ข้ามฟากนะอาศัยแพอาศัยเรืออาศัยฟากเพื่อข้ามฝั่งไปสู่มรรคผลนิพพานอันนั้นสิ่งต่างๆก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นกายนี้ก็ดีที่ได้มาจากพ่อแม่นะจะเป็นใจนี้ก็ดีที่ได้แสงสว่างมาจากครูบอาอาจารย์จากผู้รู้ต่างๆก็ไว้เพื่อข้ามฟากนะเราอาศัยกายและอาศัยใจนี้นะ เพฝึกฝนตนเองเพื่ออาศัยเขาเพื่อข้ามฝั่งไปสู่มรรคผลนิพพานเมื่อถึงสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องไปยึดถือทั้งกายและก็ใจนี้นะเพราะว่าสติปัญญามันจะเห็นว่ากายนี้ก็ดีใจนี้ก็ดีมันไม่ใช่ของเรานะคืนทุกสิ่งทุกอย่างคืนธาตุคืนขันให้กับโรคนะให้กับโรคนะโรคที่เป็นพื้นแผ่นดินก็ดีโลคที่เป็นการปรุงแต่งของจิตก็ดีก็คืนเข้าไปคืนให้แบบธรรมชาติ ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ใช่ลัทธิที่ว่าไม่มีอะไรนะแต่มันมีแต่ความเรียกว่าตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่การคืนเหตุปัจจัยที่มาประกอบกันนะปล่อยเขาแยกกันไปตามเหตุตามปัจจัยที่สมควรก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่ตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะแต่เป็นการประกอบกันของธาตุของขันเท่านั้นเนาะก็เราก็มาศึกษาเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตตรงนี้แหละนะพอเราศึกษาให้เห็นความจริงของชีวิตนะชีวิตก็จะมีความเบามีความสบายมีความโปรงมีความโล่งมีความสุขมากขึ้นความทุกข์ก็ห่างไปเรื่อยๆนะแต่เห็นทุกข์นะเป็นสิ่งที่ดีทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องเห็น ต้องเป็นสิ่งที่รู้นะทำเหตุให้ถูกอรยยศสี่ที่เราได้สวดนะทุกหนเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้ต้องรู้ทุกอยู่ที่ไหนทุกอยู่ที่กายทุกอยู่ที่ใจรู้ทุกลงไปไม่ใช่ไปละทุก์ไม่ใช่ไปเกียรติทุกไม่ใช่บังคับให้ทุกมันหายไปแต่ทุกนี่เพียงแค่รู้มันเมื่อรู้ทันทุกที่มันเกิดขึ้นนะมันจะรู้ทันละโอ้ ที่มันเกิดทุกข์เพราะว่าความอยากนี่แหละนะความอยากที่พวกเราเห็นห ย, ยาบหยากไม่ได้สิ่งที่ต้องการหรือว่าได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการมีการพัดภาคสูญเสียแบบนั้นถึงจะเป็นทุกข์อันนั้นเป็นทุกข์แบบเยาบหยาบนะแต่ทุกข์ที่แท้จริงถ้าเราเห็นมีความอยากเมื่อไหร่มีตันหาเมือไหร่มันทุกข์ตั้งแต่ตอนนั้นแหละไม่ต้องรอมันสมสมวังหรือว่าผิดหวังถึงจะเป็นทุกข์แท้จริงเมื่อมีความยากเกิดขึ้นนะ มันทุกทันทีเลยนะอยากในทางที่ดีอยากในทางที่ไม่ดีมีค่าคือความทุกข์เท่ากันถ้าเห็นว่าอ้อความอยากเกิดขึ้นเมื่อไรเกิด ค, ความทุกข์ใจเมื่อนั้นเนี่ยมันรู้ทันจากความทุกข์มันจะเห็นความอยากเห็นตัณหาที่มันเกิดขึ้นในใจของเรามันร้อนดนมันเผาไหมในจิตใจของเรามันกระสับ ก, กระส่ายอ่ากระสับกระส่ายอยากจะได้ผลกระสับกระส่ายอยากให้เราไปทานั่นทำนี่มากมาย มันเห็นนะมันเห็นทุกข์มันก็ดับมันก็ละที่สาเหตุของความทุกข์ก็คือละที่ตัณหาที่ความอยากได้ความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นนะมันเป็นการดําเนินทางสู่ความพ้นทุกข์ก็เกิดความพ้นทุกข์เกิดความดับทุกข์ในขณนะนั้นทันทีอายัดสัตย์สีก็เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะในขนดขณะหนึ่งขณะนั้นอยู่เป็นขณะนะเป็นช่วงๆพร้อมกันเลยไม่ได้แยกกันนะแต่เป็นแยกกระบวนการการทํางานเท่านั้น แต่ที่จริงสภาวะธรรมมันเกิดขึ้นพร้อมกันเนาะเนะก็ให้พวกเราได้ได้ฟังไว้ได้ดูไว้เนาะเนะก็พูดรวมๆไปทั้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูกตเวทีที่มีกับคุณพ่ อ, ค, พอคุณแม่หรือว่าครูบาอาจารย์หลงพ่อที่มีพระคุณกับพวกเราแล้วก็เรื่องธรรมะที่เราพึงปฏิบัติพึงศึกษาเพื่อให้เข้าถึงความพนทุกข์เนาะที่จริงทุกสิ่งอย่างมันก็เป็น เป็นเรื่องเดียวกันแหละนะดีมันก็พูดแยกๆไปตามหมวดตามหัวข้อตามเหตุการณ์ตามวันตามเวลาไปก็เท่านั้นแหละแต่จริงธรรมะมันเป็นสิ่งรวมรวมกันไปนะรวมรวมกันไปพูดอะไรก็ถูกหมดนะธรรมะนะนะมันถูกทางถูกธรรมหมดนะถ้าพวกเราเริ่มเข้าใจพูดอะไรไปมันก็เข้าไปสู่จุดเดียวกันพูดคนอาทิตย์คนละทางแต่ถ้าเราชี้จุดหมายไปทางตรงนะ่ะมันก็ถึงที่เดียวกันทั้งนั้นะแหละนะ เหมือนพวกเรามาวัดป่าสุกโตมาจากคนอาทิตย์คนอาทางคนละบ้านคนละถิ่นคนละสถานถ้าเรามีจุดหมายมาที่สุกโตก็ย่อมถึงจุดหมายสุกโตได้เช่นเดียวกันจุดหมายของชีวิตของเราก็เหมือนกันเนาะไม่สําคัญหรอกเพราะเราอยู่ที่ไหนไม่สําคัญหรอกว่าเราเป็นเป็นใครไม่สําคัญหรอกว่าเราได้ทํากรรมทําบารมีมามากขนาดไหนไม่สําคัญเท่าไรหร่หรอกแต่สําคัญที่ว่าเราจะตั้งใจไปถึงที่ไหน มีเป้าหมายในชีวิตไหมเป้าหมายในชีวิตเราเข้าถึงมรรคผลนิพพานไหมถ้าเราตั้งเป้าหมายในชีวิตนี้เนาะเราพยายามเดินขึ้นไปเรื่อยๆพยายามศึกษาพยายามเรียนรู้พยายามฝึกหัดพยายามทําความเพียนขึ้นไปเรื่อยๆอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญกว่านะจะไปคําควรถึงอดีต ท, ที่เคยทําถูกทําผิดว่าเรา ม, มีไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีบารมีอย่าไปคําควรเลยเรามาสร้างบุญสร้างวาสนาสร้างบารมี ในตอนนี้แหละในชาตินี้แหละเพื่อให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานให้ได้ถ้าได้ชาตินี้ก็ย <handic Wayne> ิ่งดีที่สุดนะไม่ได้ในชาตินี้มันก็เป็นบุญเป็นบรารมีเป็นวัฒนาต่อไปในอนาคตนะให้เราได้เดินทางต่อจนทั้งเข้าถึงมรรคผลนิพพานเนาะก็ให้พวกเราได้เรียกว่าพยายามทําความเพียรกันนะแต่วันนี้ตอนนี้นะไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะนะเป็นการทําความเพียรเพื่อให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเนาะใน ปัจจุบันในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเถิน